ันข้อตกใจยังเหลือเวลาน่าไรนะได้ไ้าิบเก้าลห้าสิ้าห้าสได้ิ้า้อยห้าเก้าผมไม่ด้คำไหนลข้อที่แนะครับทราบสำหรับแรกเปล <ใน S 1> ี่ย<ด>นจีวออันพ่อเจ้าเนือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ ย, ยาต <ใน S 1> ได้สั่เตรียมไว้แล้วเพื่อพิสูจน์ ด้วยคิดว่าเราซื้อจีวรด้วยทรัพสมผลแลเกเปลี่ยนจีวรนี้แล้วจะถวายแก่พิสุชื่อนี้ถ้าว่าพิสุขรูปนะเป็นผู้ที่เขาไม่ได้พาวนาไว้ก่อนแต่เพราะอาศัยความอยากได้ของดีจึงเข้าไปยังที่อยู่ของเจ้าเรือนหรือแม่เจ้าเรือนนั้นแล้วถึงการจัดใจในจีวร ด้ยในอย่างนี้ว่าท่านชายกขอให้ท่านซื้อจงวรชนิดนี้ชนิดนี้ด้วยทรัพย์สำหรับแลกเปลี่ยนจีวรนี้และจงถวายแก่เราต้องอามบัตพาสตีที่มีการเสียสลับเป็นวิ น, นัยกรรมนะครับตอนนี้หมายเขาว่าพวกโยมเนี่ยพ่อเจ้าเดือมัมเจ้าเดืนนแ้แต่เขา้าเตรียมเงินเอาไว้นะครับ จะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็แล้วแต่นสมัยก่อนหลายอย่างที่มันสามารถไป แ, ปแลกเปลี่ยนเจีวรมาได้นะนะครทำไมก็เงินใช่ไหมเดี๋วมันก็เตรียมเงินมาแล้วพันหนึ่งอ่าไว้ซื้อจีวรไปถวายพระนะครับซื้อจีวรหรือว่าไปจ้างช่างนะให้เย็บจีวรให้พระนี่ก็แล้วแต่นะครับพอดีพระจะลุกข่าเข้าครับโอโยคนนี้นะเขาเตรียมสร้าไว้เนี่ยจะไปซื้อจีวรมาถวายเราแล้วนะครับ อย ด, ดีเข้าไม่ใช่ยากไม่ใช่ตัวนาวตัวนะครับตัวลูกค้าท่านี้นะเข้าไปจัดแจงเขาเลยนะครับ mm hmm. เพราะได้ของดีๆนะก็เลยเข้าไปจัดแจงว่าโยมถ้าโยมจะถวายอาชีวะให้ตัมานะไอ้ผ้าทะเลธรรมดาตัมมาไม่ใช้หรอกมันต้องหาผ้ามัสนิน่มหรือว่าแบบผ้าไหมผ้าใ ย, ายสังเคราะหอย่างนี้นะตัมมาถึงจะใช้ mm hmm. เพราะาถ้าโยมผ้าที่ตัตมาไม่ใช่มันถวายนะ่ะตัมมาก็ไม่ได้ใช้ ม, ใชมันก็เสียไะอยู่เปล่า น, นี่นะยวต้อนหนี้นีพ่อไปตัดแจงอะไรไครับอันนี้ไม่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยพ่ออยากจะได้ของดีเข้าไปจัดแจงอะไรนี้ถ้าได้มานะครับก็จะต้องบั น, นี้สเกียร์ไปที่นส์คาบนี้แต่ถ้าสายความเป็นคนมักน้อยนะครับบอกโยมผ้าราคาขนาดนั้นมาดีจนไปเอาขนาดนี้ก็พอจะมาใช้ได้แล้วนะครับให้ก็หาของที่มีราคาน้อยกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอาบั หรือว่าของที่มีราคาเท่ากันก็แล้วแต่นะก็ไม่ต้องอาบันนะครับที่เป็นพวาให้ขอหาของที่มันดีกว่านะที่ต้องเพิ่มทับเพิ่มอะไรนะครับีน่ครับถ้าเราจะเข้าไปจจกแจงโยงเพื่อที่จะได้ของที่สมควรในนี้นะสมมติว่าโยมจะมาถวายีวรนครับโยมจะวิงวถวายทุกลูกเลยแล้วก็รู้ขาวนะใหมครับ เกิดไปอก็เลยค้า ok ีมกายมาส้นี่นะครับเก็เลยเข้าไปแยงแยงคล้ก็าีแบบนี้ถือเข้าไปแงด้วยความสมวรที่ว่าเก่าสที่สมควรครับแยงเราีดีเป็นเนัถ้าสมว่าเราเรารู้แน่แน่ว่าขอที่จะหาให้เราราคาประมาณนี้นะครับโทเลก็ ไตเท่าไหร่ครับไตมาพันกว่าใช่ไหมครับรู้นะแต่ว่าไอ้ผ้าโทเร่เหมือนกันแต่ว่าอีกสีหนึ่งมันก็ราคาเท่ากันใช่ไหมครับวันนี้ไม่เป็นไรครับราคาเท่ากันไม่เป็นไรแต่ถ้าประจาดแจงในต้องไตมัสเินมัสเดนเน่ยแค่ผืนเดียวบางทีก็เป็นพันแล้วนะถ้าเป็นไตก็เยินครับอาจจะสามสี่พันนี้ได้แล้วก็หลายแสนนะแต่ละามพันนะครับ อันนั้นอยางถูกแล้วน้าเนี่ยบางที่ขาขายแพงแต่จริงจริงแบบรับขับซือไถ้าเกิดว่าโยงตั้งใจเขาตั้งใจแล้วว่า ถ้าอย่งนไม่ได้เพิ่มเงินเพราะว่าเขาไม่จำกรายแรกใช่ไหมครับใครจะไหวแบบไหนก็ได้ที่ดีที่สุดครับใครจะเล่นเยอะๆเพราะว่าชอบพันนี่ไม่อัดคร้องการทำเต็มที่นี่นะก็ยังไม่โดนนะไม่ไม่เป็นนะไม่ก็ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็จะพูดถึงเรื่องจีวอนให้ฟังเขาหน่อยนะสมัยที่ผมเป็นเนน่ะบวชสมัยก่อนนะครับ เรื่องอะไรอ๋อเจ็บผุน้าออกมาอ๋อไข้ขึ้นได้ยังตอนนี้ขึ้นแล้วอ๋อแ้วยต้องทานต้องไปปรึกษาที่หมอต้องกังวลจะอ้วกอยากจะอ้วกต้อง ต้องถามพี่หมอเขาจะรู้นะเหนียวขอพูดเรื่องจีบอยหน่อเรื่องะไรเดนียวพาวไปหาพี่หมอในนี้นะครับเมื่อสมัยตอนที่ผไปสัมมนเนียอยู่วัดวัดธรรมดาแตตอนนั้นยังไม่ได้รักษามี่นาย มันเห็นความต่างกันอยู่นิดหนึ่งครับเวลาเขาใช้ผ้าเราอยู่ตามบ้านนอกใช่ไหมเป็นผ้าทเทโลเทธรรมดาครับสีแล้วก็เรื่องสีที่สมควรตท่า่อยใช่ไหมแม้จะอยู่วัดาถา้มโอ๋นะครับผมว่าใช้ผ้าทเทโเทธรรมดามาตลอดเลยนะแล้วไม่รู้จักผ้าด้วยนะครับเสล็ด บ, บินซันตาอะไรอะไรผ้าอยากสตบล อ, อะไรต่ออะไรนั่นเราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยรู้แต่ว่าทีวอนะ พอได้แบ่งไหนมาแล้วก็ยินดีใช้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พอมาเริ่มย้ายวัดเนี่ยมาอยู่วัดที่หนึ่งเริ่มจะรู้ว่ามันมีผ้าที่ดีๆนะครับแลิ่ ม, มีผ้าฝ้าเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานเนี่เขาหมกันใช้กันนะครับมองเกิด ค, ความอยากจะได้แพงสุดเท่าไหร่เอาผ้าอะไรครับแพงสุต้องพวกผ้าใหม่นะผ้าใหม่ผ้าใหม่ไม่รู้กั น, นะครับอันนี้มอรือความอยากจะได้นะครับ ผมก็ชนใช้ไม่ได้คนน่ะใช้ด้วยความดีเดี๋ยวผ้าฝ้านะครับเนื้อหนาอย่างหนักเลยทีนี้ก็บอกว่าฝ้ายไม่ดีมันหนักไอตอนแรกผมก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกว่ามันหนักมันหนักแต่ผมว่าดีๆจะใช้พราเขาพูดบ่อยครั้งบ่อยครั้งไอมันก็จะหนักจริงๆนะแล้วก็เขาบอกว่าตสึรินดีมันเบาอย่างนั้นนี้ครับก็เลยได้มัตสึรินเข้นมาบางที่เราใช้อะไรความัตสึินนะ นใช่ใช่จะผ้ามาสัสลินะครับอยมัสลิใช่ไหมใช่ที่มันก็เราเกิดความอยากจะได้ขึ้นมาทีนี้ก็ต้องใช้ภ้ามัสลินตลอดเลยถ้ากำมะหยก็ไม่อยากใช้แล้วนะมันก็เห็นความแต่ไหนทำไมใจเราเป็นอย่างนั้นครับบางทีมันไปาการกระแสสังคมนะการไปเห็นบ้างไปได้ยินบ้างนะครับที่เพราะว่าอย่างนั้นอย่นี้นดีนะครับและใจบางทียังมีกิเลสใช่ไหมมันก็ไปต่างอารมณ์นะครับ ว่าดีทีนี้โซลนินิใช้ไม่ได้แล้ว เ, เอาแววมาแล้วไม่จะใช้นอ้่างนะครับใช่แต่พวกมัคจิลินพวกฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป้าแล้ว <c oughs> ไม่ไใช้เปนเยทีย <c oughs> ใช่ไดหรืไม่ได้รอันนี้ น, นะครับอันนี้ให้รู้ไงบางทีแล้วผมก็เห็นไปเจอบางวัาการบ้านานอกนะเขาใช้บานเหล็กธรรมดาบานเหล็กที่เราเห็นในการเวลาส้าบวญใหม่ใช่ไหมไม่ใช่สแตนเลสนะครับบานเหล็กที่ฟ้าแบบฝ้าเป็นอลูมิเนียมอะไรนะั<ม>่นเอ ใช้กันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมันได้คิดอยากจะได้อะไรดีกว่านี่นะก<ม>็ใช้เป็นอย่างงั้นนะครับแต่พอมาเห็นมาเจออะไรเขาใช้บริการดีๆใช่ไห ม, มเป็นบัตรสแตนไล็ตอะไรอย่างนี้นะครับเมืม่อเคิอยาจะได้อย่างงั้นคือหมานะท<ด>ี น, นี้บาตรเล็กธรรมดาไม่อยากจะใช้แล้วนะคร<ด>ับโอ้เป็นอย่างงั้นไปได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยคื อ, คอกิเลสเราไปทำบัตรเหมือนกันนะแต่ว่าความจริงมันก็ดีกว่าจริง แต่ว่าเอไอ้ที่ไม่ได้ดีถึงขนาดนี้มันก็ใช้ได้แบบนี้ครับบาร์ที่ใช้สีฟนต์สีนี้สีฟอนตไม่ตามแบบขนาย ไ, ไม่ตามแบบมันมันก็ไม่ได้นะอันนี้ผูดให้ฟังไนงะแล้วบางทีเราไม่ได้ฟังเหตุผลนะครับกี่กับความ้างน้อยสมดุลความขัดคราวนยบางนะทีไม่ค่อยได้ฟังใช่ไหมมีฟังแต่ว่าอันนั้นดีอันนี้ดีอนโดีนะจนม า, หาไหลมาตามขระแสหมดเลยนะครับ อก็ตามกระแสแล้วมันก็เริ่มอยากกันได้อันนั้นอันนี้นะทีนี้มันก็จะขาดตรงนี้ไปขาดเคยคิดนะทำไมเราเป็นอย่างนี้สมัยก่อนอย่บ้านนอกบาเล่ธรรมดาก็ใช้ได้โทรเลยธรราก็ใช้ต่อมาก็เนี่ยเรามีค่านิยมมีอะไรตามกระแสสังคมนะครับลองดูเลยนะครับ ถือว่า บ, บริหารที่คุณใช้น่ะใช้ชิ้นหนึ่งก็แล้วกันนะคุณใช้หนึ่งปรจําแล้วมีคอมเมนตีว่าอันนี้ไม่มีหรอกท่านมานันมีอันหนึ่งมันดีกว่านี้นะมันเป็นอย่างนี้นอย่างนี้เขานิยมใช้กันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอแอร์แยงของท่านเขาอใช้กันแล้วบริการจะเริ่มหวั่นไหวนะครับตอนแรกอาจะเร่เป็นไรนะพอหลายครั้งอาจะเริ่มหวั่นไหวนะครับแล้วก็อไปอยากจะได้ขึ้นมาเลยแบบนี้ก็ได้ครับผมก็เคยเป็นอันนี้เล่อย่างนิดหนึ่งนะ อันนี้ <c oughs> ไม่ถึงเวลาดีนะดีครับเคยเป็นกับตัวเองครับตอนแรกเราคิดว่าเราดี น, าา น, นั่นแหละเอาแซงนิดนึงครับต่อมามีคนทักนะว่าให้ฉัน เ, นเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอใหม่ได้แล้วเข้าบอกมะอย่างนี้ครับผมขวาญคนนึงมั่งมาก <c oughs> ผมพี่ในใจนะเอาของเก่ามันมีดีอยู่นี่ไม่ให้เปลี่ยนใหม่ทําไมผมพี่ในใจคิดว่าว่าอย่างนี้เลยนะครับ พวกนี้ก็มากม า, กมากแนะนำานชาบ้างางอะไรไม่ดีนะก็มีคนหนึ่งสองคนสามคนก็มาพูดอย่างงี้นะครับให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะไมครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนตอนนั้นจะเป็นแว่นตานครับอันเก่าผมใช้อันเก่ากธรรมดานะร้อยกว่าบาท ค, ครับไอ้ที่แบบที่เสียงหายอะไรใช่ใช่ใช้ได้นะผมว่าถือว่าดีแล้วแต่นั้นสำหรับผมนะ ีนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนใช น, นั้นก็เปลี่ยนทั้งนี้ก็เปลี่ยนในใจเนี่ยผมก็เต็งเข้าหมดเลยนะครับทุนนี้หัวแนะนําให้มากๆอะไรนี่มันก็ใช้หน้าบริษาทนี้นะครับพอไปมาดิบวันหนึ่งครับมันเป็นชงรถขึ้นมานครับโอ้โหนอกกันเด่นหนึ่งไปเลยครับ <c oughs> ใจผมก็กำลงหวั่นนะนะไม่เป็นไรเอามาประกรอบใหม่นะครัขายยังขายข้างบนเป็นเดินนะครับนี่เป็นไรนะ ต่อมาทีหลังนะครับใช้ไปใช้เอาอี ก, กเข้าหนุนกระแดนออกอีกเข้าโอ้ทีนี้ไม่ได้นะครับตัญหาอันเข้ามาหมดเลยนะมันก็ขายเข้าไปได้อะไรได้นะแต่มันไม่อยากใช้นะครับมันไม่เอานะแรกที่ก็ว่าเรามาหมดเลยนะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีจริงหรอของโหลเกลืล่นตลาดที่รถกระบยโอ้ไม่ดีต้องปยนให้ได <c oughs> ้โอ้แบบเออ ที่พี่ใครว่าเขาว่าเขาเน้นเราม้างๆแต่ผมนี่เข้ากลัวหมดเลยครับจนได้หมดเลยเห็นพรอะไรไม่เข้าหูแล้วนะจะต้องเปลี่ยนใหม่เอาให้ได้อย่างเดียวครับโอ้โหจนผมก็มานั่งดูนะเข้าไปห้องน้ำแล้วก็แว่นอยู่ไม่ดีอยังไม่ดียังไม่ดีแต่ตอนนั้นใจไม่ได้นะครับมันอะไรไม่ได้นั่นนะอืนไปเจอสพาว่านั้นนะ ลแล้วเนี 3, ่ยที่ว่าไปตายกนแสังคมนะคแล้วพอเรียนไปเจอพ่อพ้องของนี่จริงด้วยนะมันก็เลยมาบวกกันเลยครับใช่ใช่ครับนี้ก็โหเลยก็เอามาเลยอาระนุสองพันกว่าต้องมันกับสามพันวิศว์อะไรนะเขามีสอเลยโอเป็นเลยเลือกเนใหญ่เลยกี่ตู้แล้วต่เอาอะ นิสกีศิษยาบุตข้อที่แปดปัญตตศิษาบนะศิษาบทตี่วว่าที่สูเข้าไปจัดแจงโยมที่ไม่ใช่ยากไใชตระนักรือโยมเขาเตรียมซ้ำไว้นเพื่อจะซื้อจีวมาถวายพระพอดีพระเนี่ยไปรู้ข่าวเขานะโยมเขาเตรียมเงินมาเย็ดจื้อจวรมาถวายก็เลยค่อยไปจัดแจงนะ ให้จีวรให้โยมเน่ะเขาซื้อจีวรให้แบบนี้แบบนี้ที่มันดีกว่าที่โยมเขาตั้งจุดถวายนะครับอันนี้นะพอโยมก็ต้องเพิ่มซบหาจีวรที่ดีกว่ามาให้ถูนะครับถ้าได้มาก็ตอ้องบัตให้เียไปที่สีขาวหมดนี้อืมนขะ้อนี้นะหรืออนนี้ก็เมืเอ่ อ, าานะ อ, อาวาน้็อ่านมาสิกาถูกไหรับวข้อสกขาวจบไแล้ว <c oughs> นิทานต้นบัรยัติยังไม่ได้ว่า ค, ครับยังนะไม่อนธะิบายอธิบายถามย่อๆครับไม่ดูนิทานต้นบรรยัตินะครับถ้าแค่หนังสือมาข้างหน้าไปหนะน้าเจ็ดร้อยกว่าหน้าแปดร้อยแล้วนะหน้าแปดร้อยย่ิบสาครับเป็นเรื่องของพระอุ ป, ปนาาาันทสาไตรยบุตร รู้สึกท่านจะเกี่ยวกับโลภาม า, าหลายอย่างนั่นเองนะครับโลคาม า, าหลายอย่างโดยเฉพาะกิจเรื่องจีวรนะครับยังไม่อืมนะขอบคุณมากครับนครับโดยสมัยนะั้นา พ, า พ, าพุทธภามพุทธเจ้าท่าอยู่ณพระเสตะวันอารามของนาธานบิณิกข้ามบารีเข็บันคอนสามนาถีครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคำนี้กับภรรยาว่า ฉันจะยังท่านเข้าปนัทถาให้ของจีวอนพิสุรุ่มหนึ่งที่ถือการเทียบวินาบาทเป็นวัดได้ยินรุ่นนั้นกล่าวคำนี้ค่อยเทบวินาบาทนะพอดีได้ยินชาว บ, บ้านคุยกันคนดี้ว่าจีวอนขวานเข้าป น, นนนะ่ ะ, ะจึงเข้าไปหาท่าน จึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทาสายามุขครั้งแล้วได้กล่าวคํานี้แต่ท่านพระอุปนันทาสายาุขว่าอาวุโสอุปนันทท่านเป็นผู้มีบุญมากในสถานที่โน้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคํานี้กับภรรยาว่าฉันไปยังท่านเข้าอุปนันท่าให้ของทีว อ, เ, อเคยเไปซื้อทีวอมาขวานท่านท่านพระอุปนันทาก็กล่าว ร, รับรองว่ามีคุณลัเข้าเป็นประธานของกระผมนะเพราะว่า ท่านแสดงทำเก่งนะมีวาจาไพ่ล่อม่นฟังนะครับเพราะฉยังมี ป, ประถานท่านจะเยอะนะต้องโยงโปรแนวผู้ประธา น, นท่สร้างเลยมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยผู้ประธานอีกบ่อยครั บ, ค ร, บครั้งแล้วท่านพ ร, ปประปณิชทาสางกับุตรได้เข้าประหาบุรุษนั้นแล้วสอบถามเขาว่าจริงหรือขาวว่าท่านประสงค์จะให้ตมะครองจีวรความจริงผมตั้งใจไว้อย่างนี้ว่า จะยังท่านเข้าปนันทายคลองจีวอถ้าท่านประสงค์จะให้อัตมาคลองจีวอก็จงให้ของจีวอนชนิดนี้เถิดเนี่ยแน่จัดแจงเลยนะครับวังเนี่ยนะ่าให้เอาจจวอนอย่างี้นะครับเท่าจีวอที่อัตมาไม่ใช้แม้ของแล้วจะทําอะไรไนดะ้ใช่ไหมอัจจิวอที่อัตมาไม่ใช่นาถวายมีประโยชน์อะไรนะครับหลุ่นนั้นเขาก็ เือศรัทาครับแล้วก็ไม่พอใจนะก็เลยแกล้งเข้าติดเตรียมพุทธนาเข้าปนันทะนะครับว่ า, าพระสมัมมาสัชญาปัจจคียบุตรเหล่านี้เป็นคนมากๆไม่สันโดษจะให้ครองจีวรก็ทําไม่ได้งา่ายฉนั้นท่านเจ้าป น, านาันทะอังร้องไม่ได้ปองรังนาไว้ก่อนจึงเข้ามาหาและถึงการกําหนดในชีวรแล้วนะครับอันนี้นะโยงปัหาการโยงปองรันาเ น, นี่ยก็ยังคนละอย่าง ก, กันนะครับ โยมปฐมเนี่ยแค่ว่าใส่บาตรให้เราฉันทุกวันเนี่ยก็ถือปฐมได้แล้วนะถฐมได้นะครับหรือแม้แต่โยมสํานั่งบางทีนะ่ยก็หาอะไรทาหวานมาถวายอยู่เรืนะครับก็ชื่อปฐมได้นะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ออกปากปวารณาเ่ยก็ไม่ชื่อโย่ปวารณานะครับขึ้นสู่ทั้งหลายนะ ได้มีบุตรนั้นเเ่งท่านะครที่มีความมั่งน้อยสัวนตก็เเ่งท่ามสีเตียนพธนาท่านท่อปนันทะนะครับและก็กร่าวในเรื่องนี้ครับโดยจาสังฆาพรพุทธองค์ก็ประชุมสองสองสอบถามสองสเตียงท่านท่าปนนมและนสุกก็บระิบถามบทนี้ขึ้นมาท่านนี้ทมันอยู่ทสบายโอ้ยน้ำมูกไหน การเนกันป็นวาระที่แถวเพราะมันพงแพ้เขาเสียการอยู่นะครับพวเด็กพกจะปวดกนครับพวกมเป็นไตน้ำอ่ะที่หมอให้ฉันเป็นสี่ครับสองเดือนอ๋อที่หมอเขาได้หมอฉันยังไม่เชื่อแก มาดในกังขาน่าหนึ่งร้อยยี่สองครับข้อที่แปดอธิบายอุ ป, ปัตติสิกขาบุเราก็คือที่เขาเตียงไว้นะครับที่เขาเตียงไว้นะครับพาทาทึงทราอธิบายในสิกขาบทที่แปดต่อไปคําว่าพิกขุงปเนวุชิสะความว่าทายกนะครับพิสูจเปลี่ยนเป็นทายกนะทายกจอบจงอย่างนี้ว่า ราจะถวายแก่พิสูจผู้มีชื่ออย่างนี้ครับจ่อจรองแล้วคำ ว, ว่าจีวรกเตตาปนนันคือมูลค่าแห่งจีวรมีเงินเป็นต้นในราลีเขาจะว่าเยอะนะที่ก็เตรียงไวนะ้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับมารด า, าที่สา ม, มารถจะเกันได้เป็นจีวรมาได้เป็อะไรมนาะเงินทองแก้วมณีแก้วมุกดาฮู้ครับแม้แต่ผ้าด้าหรือฟ้าหนนะ อี่เป็นแรกจีวอมาได้นะครับก็ถือชื่อว่าซับสัญาณแรกเกจีวอลนะตอนนี้คําว่าอุปกรณ์อางโหติความว่าเป็นสิ่งที่ทา ย, ยกได้จัดแจงรวบรวมเก็บไว้คําว่าเจ ต, ตาเปตวาแปลว่าเปลี่ยนอธิบายว่าให้กระทําหรือซื้อครับหมายความว่าขเขาเตรียมเงินไว้เพื่อจะซื้อจีวอลนะเนะ ก็จะซื้อจีวรหรือว่าก้านแข้างขึ้นมาคําท้อะไรก็ได้นะคําว่าจีวเรนะอาัาเริษามินี้เป็นเพียงคำโบหาที่ว่าจะให้คลองจีวะเป็นเพียงโบรานะความจริก็คือนะครับก็ในคํานี้มีอธิบายว่าเราจะถวายจีวรแก่ผู้ศุขชื่อนี้นะเขาจะให้คลองคลองเป็นโบราณเฉยใจฟ้าคือจะถวายยังไงนะครับ คำว่าตปปะรดเจโสความว่าในสถานที่อยู่ของทางยกนั้นจะเป็นข้ามบดีก็ตามข้ามปตานีก็ตามที่สูนั้นเขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนเข้าไปหาแล้วแทรกถึงการจัดแจงในจีวรนะให้คข้าถวายจีวันอย่างนั้นอย่างนี้เพ่มันดีกว่าครับคำว่าวิกปังอัจชัยยะความว่าว ถึงการจัดแจงอย่างพิเศษคือจัดการให้ยิ่งก็พิสูจนนั้นย่อมถึงอาการนั้นโดยประการใดเพื่อจะแสดงประการอย่างนั้นจึงกล่าวว่าสาธุวตตะเป็นตอน้องนะครับในคำหลังนั้นคําว่าสาธุเป็นวิบาศเนี่ย อ, อ้อนวอสาธุไม่แปล ว, ว่าดีเ่รอใช่ไหมหลายความหมายนะนี่เนี่ยอ้อนวอนะครับดีหละโยก จงถวายจีวร อ, อย่างนี้แม่ตามาคาว่าว่าตัดเป็นนิบาศในอัตตาลิมิตตกมาในความคิดนะ<ม>คําว่ามังสแสดงถึงตอนเองคําว่าอาญสมาเป็นคําสมาร์ล่องเรี่ยผู้อ ผ, ผู้มีอายุผู้มีอายุนี่ถ้าผู้น้อยใช่ไหมครับ<ม>เรียกพระผู้ใหญ่หรือพระผู้ใหญ่เรีย่ยพระผู้น้อยก็ได้เอาอาญสมานี่คำกลางรับรถ้ามึงสูงเรี่ยผู้น้อยใช่ไหม เด็กก็เรียกผู้ใหญ่เลยครับคําว่าเอวารุปังว่าเอวารุปังว่าคือด้านใดด้านหนึ่งมีด้านยาวเป็นต้นนะครับในคำนั้นนะเอวารูปังว่าเอวารูปปังวาจีวราเจตาปตะวันชาทตหีติใช่ไหมนะครับจงอะไรนะจองจากจีวออย่างนี้อย่างนี้นะครับจากจีวอนเช่นนี้เช่นนี้นะแล้ะทรงผวาแก่ต่อมาง เนี่ยเขาเอว่าลุปังเอวาลุปังนี่ก็คือเ ช, ช่นนี้เช่นนี้นะหรือว่าเหนปนี้นะก็คือด้านใดด้านหนึ่งมีด้านยาวเป็นต้นคําว่ากัลยาณ์นะกมมย์ตังปาทายะความว่าคือเอาความต้องการจะให้ดีคือความต้องการจะให้พิเศษนะครับเพราะว่าอะไรต้องมปลว่าต่อสายความอยากได้ของดีในชะนะครับต้องการได้ขอดงดีดนะ อ่าบทนั้นเชื่อมกับบทนี้ว่าปัจยยะเอะก็ถ้าด้วยคําของพิสูจนั้นพูดถึงอาการเห็นปานี้ที่เขาไปจัดใจเขาอย่างนี้แล้วนะครับทายกไยเพิ่มมูลค่าจากที่ประสงค์ไว้แต่เดิมเปลี่ยนมาให้เป็นจีวรดีกว่าเพราะความพยายามของพิสูจนนั้นต้องมาทั้งกฎนะครัพอเขาเพิ่มซ้ํานะเปลี่ยนจีวรที่ดีกว่าพิสูจนต้องทุก้กฎนบครับ พ่อได้มาต่อบันสกีปาตีในสิกขาหมนุนี้ถึงทราบวิธีการสละเลยในนี้ว่าอีทางเมพันเตจีวรางปุเพอัปวานิตมอัญญาตัางรามฆาปติกามกัสสังกมิตตวาหิกับปังอาปนังนิสธิยงถ้ามุจรรญจีวันของกระผมนี้เป็นจีวันที่กระผมเข้าไปหาค่าบาดีที่ไม่ใช่ยากไม่ได้ปรานาไว้ก่อนแล้ว ถึงการจัดแจงอย่างพิเศษเป็นของที่จะต้องสละนี่นองสละดอย่นี้นะสิขาบทนี้ผู้มีพระาค้าทรงปาราลบผู้ปนันทะในเมืองสามัคีบรญยัติแล้วในข้อเรื่องคือการถึงการจัดแจงในกีวอสิขาบทนี้เป็นสาาราบัญญัติพิษุนีก็มีสะครับนี่เป็นอ น, นันติกาไม่เกี่ยวกับการใช้ใครเป็นคนทานะ คนนันหละเเป็นติกาไปตีครับอ้าวเป็นกไปีไปียดูแลตกลใส่ตกลงใไม่ใช่ตังอะไรเป็นตัวตั้งก่อนติกาไปีเอ้าไม่ใช่ยาไม่ใช่ประวัติศารงใส่แล้วกดูค่ะไม่ใช่สำคัญที่ แล้วก็ไปจัดแจงใช่ไหมก็ต้องบัตรทั้งนั้นนะครับพิสูจมีความสําคัญในญาตว่าเป็นผู้ไม่ใช่ญาหรือมีความสงสัยต้องบัตรทุกคนเมื่อพิสูจกล่าวประทาน ย, ยกผู้ต้องการจัดจ่ายให้มีค่ามากหรือมูลค่าน้อยด้วยมูลค่านั้นนั่นแหละว่านะครับท่านจงให้สิ่งอื่นหรือจีวรนะเห็นปานี้นะครับ ที่สุ่ขอในที่ได้โปร อ, อันนี้นะตอนนี้ไม่ต้องอาบัตนะครับหมายเขาว่าอนนย่างไรก็คือให้เท่าถวายกิวอนนะครับที่มันมีราคาเท่านั้นแหละนะไอร า, าคามากหรือว่าค่าน้อยก็แล้วแต่ที่เขาตั้งไว้นะครับเราก็ให้ถวายกิวอนชนิดอื่นแต่ร า, าคาเดียวกันจะมากหาก ร, ารือน้อยก็แล้วแต่ตามที้เขากาหนดไว้นะครับตอนนี้ได้นะครับเป็นไร เพราะเขามได้เพิ่มค่าอะไรน น, นี่อาตมาต้องการสีนี้แห<ม>ละต้องทาก็ได้ครับ<ม>พิสูขอในที่ได้ปรานาไวและยากโดยในดางกล่าวแล้ว<ม>อันนี้เพราะเนี่ยจารวัหมือนนั้ได้ออกมาเป็นอาบัต น, นะครับ<ม>พิสูรรับมาพิซ้ัมของตนอันนีน้ก็คือไรก็สร้างอนไปเลียน ม, มาให้แม่ไม่สกปรกงาและพิสูบา้าเป็นต้นไม่ต้องอาบัต สิกขาบท น, นี้มีองคศาเหล่านี้คือความต้องการจะได้จีวรที่ดีกว่าที่ทายกไม่บอกไว้หนึ่งองค์งแรกนะมีใจนคะครับขอกับผู้ไม่ใชย่กองคที่สองสามก็ได้ได้มาด้วยการขอานั้นเมื่อพระองศาหนี้ก็ต้องไปตีในสิกขาบท น, นี้นะครับผู้ไมิใชย่าไม่ใช่โบราณด้วยนะสมุทามเป็นต้นเหมือนกับในสิกขาบทที่สี่นั้นเองแหะ ก็คือคท no ี่สี่เนี่ยอ้อสมุดฐานหนครับอันนี้ถือว่าไม่ยากผมเขียนอะไรไม่ได้เขียนว่าให้เขาถวายจีวรอย <c oughs> ่างอื่นที่มีราคาน้อยกว่าหรือจีวรที่มีราคาเสมอการอันนี้ได้อะไรนะครับถ้าบอกว่าผู้อาศัยความมักน้อยสันโดษนะอะไรว่าโอ้โยมมัดสลิงแพงไ่อาตมาใช้โทรอะไรก็ได้เนี่ยเคยใช้อย่างนี้นะ เขาก็โลกทราบลงมาใช่ครับยิ่งีวอขนาดน้อยกว่ายิ่งก็ไม่เป็นไรครับยังไงจบการที่บาอุปคตสิขาบดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะโดนกันนะเพราจะระวังกันอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ยาไม่ใช่โกนาดิโออือแล้่อยไม่ค่อยมีหรอกที่จะไปจัดแจงอะไรใช่ไหมครับอืมครับก็มีนะแต่ก็ระวังไว้นัาจะได้รู้นะ ถ้าเราไปเจอค่าที่เขาไปจัดแจงโยมอย่างนี้เนะ่ะเราจะได้รู้ว่าท่านต้องหรือไม่ต้องรอะบายยิ่งไปปรับความเพิ่มเดียวๆนะมันทีท่าอาจจะไม่ต้องก็หน้าถ้าว่าให้ขขารดมูลค่าลงมาใช่ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นชีวอนที่เส ม, มือนกันเน่ะหอกที่ทําไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาไม่ใช่ยาอะไรเพิ <c oughs> ม่มจัดแจงได้ยังไงก็แค่บอกเขาถวะชีวอนที่มราคาน้อยกว่าหรือเส ม, มอกันอันนี้ก็ได้สบายนะไปลองยันดูครับ เราโคกเราหกจาตรงนี้ไม่มีไม่มีเขาบอกแ่เขาจะไม่น่าจได้เหมือนกันนะครับสงอกัได้นะแต่เรามันถูกกว่าไม่ใช่หร่คุยคิดแต่คนอื่นก่แต่ว่าราคาเข้ากันต้องม่เล่นข้มตนี้มึบอกนะครับแต่เขาจะม่น่าจะได้ ข้าเทพกิมนี่อยาะน้องเมตตีนะ เป็นความยุ่งยากลำบากโยมใชหมครับอ้าวฉันจะถวายไอ้นี่เน่ยว่าคุณเจ้าเขาไม่เอาว่คุณเจ้าเาจอาอีกแบบหนึ่งเนี่ยโยมก็ต้องไปไปเที่ยวนะอะไรจะหาตอนนั้นตรงนี้ชหมรับันี้อันนี้เราบนีไม่แน่ใจนะเพราะว่าจะได้หรือเปล่าที่กีดันอย่างข้าวขเอาไว้อี้อเนะเอาไว้ถามครับ